เป็นพระอนุชาแห่งพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีนันท ก, กูมาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในวังเล่ารูปถึงจะมีความเจริญก็มีความแก่เป็นที่สุดบัณดิตรู้กันว่าไม่สะอาดเมื่ อ, อยังเจริญก็ไม่มีโรคแต่ก็มีโรคที่บั้นปลายชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรูปของเธอนี้